ยาดย้วยฝีเถาสั้นๆแล้วมานอนฝากบานกันเหลืองฝากหัวสร้างมาบ้านกันเหลืองโอ้ฝากบานกันเหลืองมาบันเชียงหน้าสองหลังบันเพื่อบานชง ป, ป่วยฝากหัวบางทไสามาอีกมาทางไหนพานแก่งตะเวนมาผัก เช้บานพ่นแดงาคาบานม่งกบบอเยงมม อ, อ, อเยบอฝาบานพ่แดงาบานบานยังบาทางบ้านลงหลวงบกครับบานลงหลวงฝากบานงหลวงกับาบ้านการเลี้ยงบวฝากบ้านการเลืองกับบาหอยทาย หวยบางไส้ค่ะหวยบางไส้ามากกว่มานนอตถึงหน้าสองหลังกลางโคกกันกลางดงมาคำละออกแกวขันกันย่างหน่ยพีเท่ามานมนอตแบบ ห, หวยไต้ชวนมาหอดหวยไต้แต่พูด ล, ละคำเมืดพูดละใครพอม ว่าร บ, บ้าน้องยันทงฝนตกข้าฝนตกข้ามตัดไข่ยางทั้งไข่พาแหงข้าเคี่ยวสองพันที่รอยเก่าที่หกกันต้องพงยุธิสองพันที่ลอยแปดสเก่าพยุยี่สิบสองมือ ออกกากอะไรเงี้ร้องน้ำผู้ไปร้องน้ำตีนพูไปไปนอนบ้านบ้านข้อบางวันนักบูงไปออกากบ้านข้อไปนอนค้อนค้อนกำลังสางวันดอยถ้ามันจะดี การผมว่าเรานันหน้าเส้นนวลออกเกลมันหน้าเส้นวนวล น, นวบันเต้าอยพักกาฟังคำือ อ, อ, อกกวเต้างอยขึ้นบันภัยหาระลูกผูฝันผฝันย่านองค์เดียว ออกจากการคืนธรนออกกรมายนันอายุธรรมภารยันยี่สิบเก้ า, า่สบายนั่นซักพารสบายออกจากการรรายันได้ไปลงไปสักผ่าสุทธวะออกกากสุทธวะรัด ให้บ้นนานนาขบบอ่อบ้านนาบ่ออบ้ากาขาบ่นาขับบอ่บอบอ่เบอนอนเลีไปท้งทายเมื่อรับประแซบัตรพอกรับระแซบัตรขาขาหน้าตานนอนหันออกกันจะกข้ า, ขาผ่าหน้าตานรัดขามผู้ ไปพูดเนี่วเลยระหลงปูหมันพระตะวันเทียงได้พอได้มาสายอีกค่ะเนี่ ย, ย น, นัวหันจนสวัสปีพระเพื่องหลวงปูหมันก็เป็นจริงประโยชน์นพำฝนปีนึงแล้วออกไปวิเวกออกไปทั้งวันพักผู ปีนั้นออกวิเวกหกเดือนออกนี่สักคนคงคบหาผู้เดียวอีกนั่นน่ะเมื่อวได้ไปใช่า่ะเนี่ยแล้วพไปยาทอดกับมามูปฏิเสีวิเวกมันกับวิเวกที่รอกก็สั่นมันมีภูเหดเต่ออังโรสั่นต่ออังโรแตกสั่นก็เยได้ห็นนองว่าเปลืองน้องว่าสั่น ถ้าทำระเด็นข่าวไม่ปดบอเนยโอ้ยขนหน่อยพวกจบ่ะะไรก็เลยบริสุทธใจเบิ่งว่าว่านอนว่ะสั่อาจาเท่เคลนไปเนี่ยล่ะเท่าข่ามันเมย์น่ะสั่งแล้วได้มานั่งเลยไหมว่ะสั่งเปือกมันว่ั่งแล้วผู้มหาขราดขึ้นคนจับหาบัวโอ๊ั่งคนหอจะไปเอามาถวายนกว่ั่เท่อเมย์เท่าสกอนสั่ง บาดเยอะมา้เธอไปใช้ได้ว่าสันหลอดแจกก็นุ่งผู้ได้ปั่นนะสันหลอดแจกก็ฟริงเลยเาว่าล่ะกำลังอ่อนฟริงไปไปไข่นนน้อยบริจารมหาว่าเขาได้จะไปแลกว่าันตัวของจักตัว จำหาวิสิษฐือบังล่าได้ล้วเประโยชท์ทำพรนจริงหมหรือจังไรสมาตัวบอกวันทีจำหาคนโงงได้ว่าจะโตคือจไมละแมนี่ดิปสือเบิ้ถ้านล่ามาอยู่นี่วันแจังไรโอ้พันมาอย่างเดียวด้คนน้อยล้วจะมันมืดก็ไปวันจออกมาหาพวกเขน้อยไปทำค้าวงอยู่วันพระวัน รถฟ้าพวกเขาหนอยไปทำข้าบงไปเพดรขา้าวรามใส่บาดเปิ้นไว้วัตัวขั้นแค่ขา้ า, มมาวรามละอานานเยี่ยวคเดียวเนี่ยปุพวนหน้าพุทโทก็แซบกัเกาคือเข้าไปย็นเขาป้านนี่ละก็เขาก็บาหาที่เกานาีบบา่มันยังแซบว่ามันมดมันหวังเนี่มันมิดบันหวัง คือกันมันดที่เพิงโล่จะให้เพิ่นพ้าวนาไหวพลังพายุพูดยาวเลยม่ต้องแต่คมหยยงยากพันหัพันหยาดเสียมากินคนมีเวกกระปั่นเลี้ยวไปใช้ือจะเสียนพลาหุกรรมก้กลางมงอยู่เนี่ยตัวเจ้าของวิเวกจะกินได้ใจภพราะวนาเนี่ก็ราะเพราะก้นว่าเสีบมาว่าวมันมัดเนาะ อันเขาล้าจะซื้อข้ามาใชบาทให้หนะจักขวานบัดเขี่ยวยักขวาบัดเกืนบั น, นั่งกินอยู่ทั้งอากาศพูละย่างไปตีงวันไหนหัจักวัดพูดคาขวท่ค้าใส่หัวจักเก่าสันเ่ายางหัวจักัดงวกใส่แล้วขวยงมันหัวจักวด มันทอดขม่าได้เอาลูกห่านมันอยู่คนเดียวมันนั่นก็คือมันนันงใจยกขมูนนั่งใจยกขมูนวนเบิเนี่ยตักขม่าตัเขมาอายยกขมาอายยกกันละมันเกิขึ้นยกขม้าเราแค่หางว่าเสีบได้อว่าเสียบท่อภาวน่าอยู่คนเดียวมดหวังเลยไปเป็นถบาทในสิ่งศกดสิทธิ์ภาวนาบังเกิดว่าสิพิจิตรพิจใจออกมาต้อนรับออกเข้าไปไปพ่อหมูปางสิ เข่าขาใส่พ่าาอักตยืนกัอบอา่าง้าส่รถแล้วได้เข้าไปอีกยังะเยอะพ่อเยไกลๆด้ยนีน่ยนะมันท่างอมันามันงอฉีคนตกเล่นแรงเศ้านเดือหาเดือหาฝไมคนใหม่ตกงมุมม้งมกแมลงอ่อนช่เพียงเตเสไกล ก้าวขาถ่ายไปกพูดค้าีกับพ่อทค้าีเกเยืนยงเสียไม่ได้ตีงได้ก็ของจักก็เหยียบขาใส่ของจักเหยียบขาขวของจักของจักรดใจข้องม่ผมันลสติมันมัน่จัทางสิยไปร็อกเนี่ยมันมันม่เห็นนังรอกเนี่ยเห็นตาพี่เงสสูหมูปลายืนเียบเสียบไปเดียวเนีเพราะว่ดอ้วนเนี่ยหลงมันแหลมขาดลาน วบบาดยากแลก็จ้องจ้องไปเนี่ย่ดตื้นได้หรอวอดกระได้ขาก็ตั้งนู่นที่เราขาขานึ่งย่างย่างก็ต้องหลุดว้า ย, ว า, ายืนอยู่บาดกระยุกกระพิณลูกประพินถบาทถ้ <c oughs> ทามันงอกเกี่างงอกมาหนีเทียนประจ่ามาอยู่นี่นะทางพ่อหลงคนเาะทังก่วงเลยเพราะมันวกบาดยาะต้อกับไปก้องจ้อง้องจงไปเนี่ยก็บ่าเลี้ยงว้ด้เพราะก็ยกกนี่ ลูกแต่ออกคนวุ่นตัดขีดตเพราเห็นลูกมันโตบางเต็มแอร์มันลูกสามสี่โตแต่ออกมันว่าเห็นยังน้เนี่ยมันลงสติมันโตกันโตก็บ่ังย่ก็จะมาพอดเพราเห็นยังดรอปตอบปั๊บปลดพอเห็นตอบกัตอบปั๊บปลดว่าเจ้าของมันก็วูบไปนี่รดแทนว่ามันทีกัดของมันกัดนี่ล่ะไม่ลูกเอาลูกแต่อกอน กจวได้ยินเสียงนกเสียงโอ่งขนกมาน อ, นนานอนน่ น, อ น, นั่งานนําทังหัวของจิตจ้าจดทำบอออเออยู่อ๋ออยู่กาสบายเด้อเข้าไั่นได้กี้เขาได้ยินเสียงตเาจิตเขาปุงไปไั่น พวงจะปีกตัวกับปราเด็นขี้กับปรนเดียวนี่พวมีอะไรเลยวะสันพ่อเขานอกันอ๋อเยอะอะนกัน่คือเกาเด้ดเดียวนี่าตะกอนในวัดจเห็นม้วนนเสียงม้วโตคือจับปีกหลุดมาันเดียวนี้วันนี้คืดจังไรแล้ววะันว่นน้คืดม่ว่ายุ้นต้องกัดออกวะสันแลมีเว้นจะฝ่ายกันน้มาแดงมามานอนนําสมสมื่านอนทำอะไครโตล่ปีกมาไปทางจิตเหนือเนี่ย พิเตรไซคสางชิ้นงนะามันทาลองไปจมวจออกเถอะทำพายายามันลองไปตรวจออกเยนยพิษมอไปต์กนั้นก็ได้กลางดอกมงเพราะมันทามันแคบเลยพวกลางคือมาเดี๋ยวนี่พันทุกม า, กาเป็นเพราะง่ายๆเล้อพันทุกมาแนสงสารมันเพราง่าย หาทำเ่าห็นทำนอนกลางผู้เลยมันำทำเส้นเพราะเห็นทำข้าวข้าเข้าไปปลาอ ย, ยังบริจารชน เ็าถอยจังหวัดพังงาผู้เดียวเขาจะสั้นทางางหน้าหยุตะเล่นแดงแล้วเขาตบตีนเขาทั้งนี้เขาสั้นเนี่ยเขาถอยเขาเพี้ยนแล้วเขาตอ้ท่อตกถอยไปแล้วก้าวในเจ้าละขาขึ้นไแล้วมันเมื่อยมันเมื่อหันหนาลงทั้งเหวหันหนาลงทั้งขึ้นว่าครับมองมันได้มันได้เป็นมองปีนยันไปส ติดยันไม่สิมึงนี่กนนิบกดยุงสิเมื่อยฮาบฮาฮาซื้อลรวพุทโจ้รดินยัน ไ, ม, ไม่นนสิ ะ, น, น, สะนิบไปนี่แล้ถ้าสิจะไปแห้งนะค่อายพริกขึ้นค่อยพริกขึ้ น, รนบริคารตัดออกไปหน่อยนี่เอาไว้งามกวยัดใช่หน้าบาทไม่ได้พ่ายสองบาท เปลนขึ้นไปห้ารุ่นไงพ่อเทียงวันไงหอดล้างเขาบ้านนี้ล่อนีงไปไกลเติบไปนี้ไปนี้ไป ก, กุดล้างนั่นละ่ะก็ล่องบ้านี้รักเดียงเดียงลงบานนี้อ๋อเดียวหามเบรกไงตัวลูกแห้งว่าไงเดี๋ยวคอยอาหามเบรกลงชั่วลงหอด เทียงละเทีย่ยงวันหอดหอดสังขลังเขาซากลงเองแต่เทียงวันบักไก่เนี่ประมาณจาก้กสองสามเส้นแก็เลยลงริบแบบเดียวอนสั้นอันเดียวก็เข้าขืนเล้อชัวรงหอดตีนเขา มีฟ้าโอ้มีตรงไหนหน่อยตรงนึงละเมออยู่ครับไปร่างอาก็บเพียบอาบน้าอาไหนเลยหน่ำไหลอามาเลนะเขเพียบเโอู้อาจารย์เขาเขอยเออารงายผู้คาเลยว่าเกิดอีเว่าจะมันเสียเป็นลาบไรเลายมันเมื่อยอาจารย์เมือยเมื่อตาเม่อยที่ตีตาเหราเนน้องเอย นามของ่อได้กินพ่อหมื่นมาด้มากินนี่เราอจารย์มันได้กินว่าล่องพืนเนี่ยแล้ว เ, เป็นรองโล ก, กท้องผูกมาทั้งตะพุ่นหรอตะฝากพุ่นหรอตอนเดินทางเราพ่สันนามหรอออกเดินทางที่แดดสองพันที่ลอยแปดิบแปดออกจากเมืองอุดรเนี่างหนวดฟีเท่าล่องไปทางอำเภอกรุงพระว่าปี ไปนอนบ้านแม่ น, นู้นออกกากแม่นู้นเลาะฟังน้องหานมานอนบ้านฝึกบ้านพ่อนท้องออกากานท่อนท้องกับม่นอนน้องหานเลาะน้องหานด่านทา้งทิ่เหนือออกกากน้องหานะนอนบ้านข้าตาหน้าบินธบาย ส, สันเสรจออกจากบ้านข้างหน้า นอนบันพ่ออกจากบันพ่อายบ้านัดเมื่อพ่อวานาพุทโธผูเก่าบันยามพุทโธนี่ยพ่อวานาพุทโคูเก่าบันยามเื่อมเมยแล้ววันเลื่มเยาะหนามแล้วจะเอาเมยกับเมยพ่อไป นกตัวหนึ่งกั บ, บรเกณฑ์นูตัวหนึ่งก็ บ, บริเกณฑ์นะยีปอยมเมื่อเช้านั้นนี่ท่านผวิวายตีงมาได้ของชักมัดขณะชิดนึกก็ได้ของชักมัดว่า่ได้ลงนึกหลงคิดไม่ได้หลงตีงไม่ได้ลงงวไงกไปงวกมากชักหอดบัดหงกไปงอกมากชักนหนดยางบัดรเก่าสันขก่ายางไว่ได้บางคำยากเีดที จากวัดพวกกากระรอนดบนดุงออกบรรดุงนอนบ้านว่างท่องสุดเขตเพื่อน้องหานประพักก็ได้ดุ ง, ด, งดุงขำสนดโมเรี่ยงว่าสั่งอะอ ปล่อยซ่อยกดกัดนะมั น, นมคือหนามันอยู่มันพักกันโกเก๋โกเก๋เือพั ก, ก, ก, กหันยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็มือ อ, อกาันไไปนอนขมบับบนบ่มันไพ่อนอนกชี้กข้อ อ, ออกจาบัดหกชี้หกข้ อ, อไปนอนบันเราน้องห้า โอ้บอนทอนน้องห้างเยฝากบันเม็ดไปฝากบอลดงบางไปฝากบอลดุงบางฝากมันเม็ดไปนวดบอล น, น้องห้างโอ้ไปนวดบแลเราบันทอนแ ม, มันมอลเราออกจากบันทอนควบหกมัดมือนหกเลี้ยง ก, กก็เดียวมาขกบกับน้องห้าง น้อนมือนองห้างพอดีเอาเรออกจากเหมืนองห้างพุ่นระบาดเนี่ยขามว่านอนขามเหมนหน้างานของเราขามาการที่เอาขามว่านอนอพว่านอนขามเหมืนหน้างานเรางาเรานอนบาดกุดเท้าุดเื้หน่อยออกจากกุดเท้าหน่อยน้มันว่านำพลังานศิลาออกจากมันว่าสามผง ดอกพันเอ้าภาอหงศหาขึ้นออกากาน่าบ่นอวด น, นอาบันอวดมันเสียวออกอากาศนเสียวนอนไส้บริพักโยวัดหาไส้บริมีศีวัดวัดาขามปากของขาม นอนอุทเทนนอนวัดปลา น, ะ น, น, อนา้อนจัดอุ่นหาือหหารบุญห น, นึงนน่งคืนหนึ่งมาจากไซส์ท่ากอุน่นนประเทศสันถานดี แ, แท้ไมุ่่นจากพีนักกันหน่อยัอนมูตีว้านเนี่ย มัจากอุ่นในภาคพื้นใหญ่เพมีทิ่เที่ยวมาแล้วโอ้ทีว่าเฮาสันเก๋อะไรแบบนี้ไปกับวิวน้เฮามัจากอุ่นในมีปีิสันฐานธักับอะไรเพราะขวมทงประฮาคนคนแล้วเห็นคนไหยเรีนมอยครับ จ, กจักกีโลหนึ่งคน เูทันต่เทียนวัดปิดวัดฟงมาดูผมนะารย์ิมักเครนดีปฏิบัตินีเลยมักจุกกมพาวารอ้องไฟหอม่าเก่มักฝดมแปเขามักเกอนกรมพรารมัดมือมัดเือเก่ามั่เกียผมาว่าผมสัตวเกาไมูผม น้ำน áo ชักกำลังน้าชัดเะนเดินนก็คมัดคืนหลบเงินกระดามักเขากีนี่คนไปบินทบาวมาเราคีเขาฝุกไฟสันกัคันเข่ากีเดี๋ยวนี้ผมบดิษัทเขนเราก็มีอย่างผมกับสั้นตำไดแต่นี่จะเป็นมาก็กะรรบอกเออ พ่อแม่คุกบ่อาจารย์เปิดพักตูให้ขนอยอยู่เป็นบุนเก่ารถเก่ารนกระโม่สัสตว์นี่ก็หา ย, ยากดูอาจารย์แต่ว่าความหมายของขนอยไวาจากลองไปทั้งส า, ตรร า, าสตร์พระน้มผมว่าเห็นนักเตอรอาจาอกสาดศาตร์ระนมแล้ว ต้องจะขึนทำ ร, รเวทเ้ยขนทำริ เ, รรเวณแล้วต้ทงจะไปะหาหลวงปู่หมานะจะบอกการใช้ชีวิตกรเพิ่นกระพนต้องจะคงไปทักพันาไปสักพันกบอกให้ฟังพันกบอกอที่จะไปท้องคิดท้องใจในเทศะ หลองปู่นี่ก็ได้ไม่แต่องค์เทดกักทำพระเวทกันนี้แน่วานัน่าทำเรองนี่แล้ววาสันโอ้ยบดรุด ว, ว, วาแมนโยขอน้อยบอกแมนวัดวัดุ้ชันมันเข้าก่อนไปยูวาันไก่บ้าน18ดเห็นตั้งปทอมาเท่าดี ทอดนียี่ที่มหาเส็ไไกลไกลบ้านไกลเมื่อมนไไันอย่างเงีไปบินเทีาา่วเนราบอกกันนคือโอ้แต่รู้ว่ า, วาอีจจรเทษตรมากนักกับชาวบ้านเทศตรมาถึงใจนกมันถือลูกซอนแล้วก็บินไปในทิศทั้งซีไนะ่เลยหลอนไปในทิศทั้งซี ถูกลูกสรนของในพานเป็นว่าบินไปในทิศทั้งซีไปชิดเกิดทิศแก่ทิศเก็บทิศตายมีทิศโลภทิศโกรธทิศหลงเป็นโพกพันธุ์เป็นพืชพันธุ์ปลูกไว้เลโอ้เท็ดเยินรับ เรือคลักใคร่อ the ะไรบ้างคลักเยออในตางใจไว้สัในเดก่อนนอยว่าตีเสียงยังพอแม่คว่าอาจารย์แว่าเนต่างสัตว์ไว้สัตว์นว่าทังโค้งว่าน่การที่ว่าทั้งโค้งเนี่ยมายควมวาหาถ่าแก้มานี่สิเก็บตายบนไหนเนะว่าเนี่ยเมื่อสิเก็บตัวตายนาะว่าน่เรืคืดนําบ่ มาเที่ยวบางบัานบางเมือง <desp. S 1> ่สังขน้อยนะจำทรามันนมอยู่กันด้วยเที่ยวซื้อเที่ยวเบิงเท็บพาร์เที่ยวเปลี่ยนบนแกบเบเท็บเบิงพี่ชนะทำเนียกเบิ้งมาถ้ากูเถากาสีตายกูจิเจ็บตัวตายบนไหนเนาะเราขึ้นังสันนี่ซื้อหลอกขน่อยก็เลยมาท้งโค้งอระพแม่คูจานเขาบอกพ่แม่ดูอะาเี้บันเที่ยงจะบัีันคัดของทั้งเที่ยแล้วขน้อยบัง พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่ะเคาจไปอยู่ร่องรงหลวงปู่มันแล้วแล้วก็พวกขน่อยอะไรเงี้ยจะข้าวเพลินจะไปอยู่บ้างเมือจันหน่อยมาพิชิตหน้บิานนี่เกิดมากสุดบวชมากยังไม่สุดพ่อแม่ครูจันมันด้วยแล้วพวกเขาไปห่าเพิ่น มันคือเป็นกรรมฐานกระตายรบผันลบนี่ยูดีกับซัวกัาไปหาเพื่อนสะพานมาทันคือว่าสมุนปัญหาไะไว่าทันอันพูกบวชมาพรท่านกับเป็นเรื่องนึงว่าทันเพราะเพิ่นไม่พานแต่กอน่าทันอันนี้เพิ่นยังไม่ยูก็เฝ้าไปเพราะหาละโอกาสอันนี้ไปหาเพื่อนเพรโอกาสนี้หายตกไปนี่คือเป็นกรรมฐานลบหนาลบหลังคือนกระตายเพกับซากระรือว่า พลวงปู่มนพอดีบัดเคีงพอัดดีพอดีบัดสอบปกันมันจะไปบางเ่าอะไรเป็นกาจับเขาท่องเขาจังผู้เขาชอบเขาจังดีที่ขน่อยไปสั่นขันยางต้าก็ได้ไปั่นแต่ว่าผ้มีันแจกไม่ลนอไปส่นเขาเนี่ยเากยใจในยู่เรี่ยวเพ่อบอกได้แล้วเขาน่อยไปั่นวันมันจะเคสไปสั่นเออคว่าปัดับไปไปสั่นถ้าจะไปเรียกคำว่าหาเขา แสดงอาวัดเียเขาอยู่กับเน้นเขารืว่าจะกาเย่เอาวา่าว่าตัวเขาได้แสดงก็เพล่นตเขาได้แสดงคือเพลนนะคว่าแสดงคือทำท่ า, ทา ว, ว, oh. ว่าตัวเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้บริาร์ท้าสุ่นกเบ่าวทั้งพิจทั้งชิงทันได้ เมาทำอทำหมดแล้วที้ตัดเงแค่ปฏิวัติเพื่อบนทุกปัญหาผูร้ายเนาะปฏิวัติเพื่อหลเพื่อยอดปัญหาร้ายปฏิวัติเพื่อปัจใจชีกับปัญหาขร้ายนี้อาศัยว่าชีวิตนี่กัมีวัดเดียวซื้อนี่เพราะมีหลายวัดเลยโม่พันจังพันวัดเน่ย คนที่ตีว่าสางวัดเท่ากับพย่อมเขามีวัดเดียวเท่านี้เท่าศีจังพวกพันวัดเดยรแล้ว น, นะเท่าศีลมหาวิโรเนี่ยเพื่นาจากทางหลายวัดเนาะเขามีวัดเดียวเท่านี้แต่สั่ชีวิตเนี่ยตี่เขาสางวัดเท่ากับพย่อมที่ไหนเขาควรอยู่เด้อยู่ตูเฟืองสามพันสามคน ป่วยตรงเตียงรงเตียงอย่าห้องท่นี่ะไาที่ไนับเไปแพร่ล้ขออย่างไรสางก็เสมอนีขบอแพร่บอขอมีเข้ากัเหตุบุ๋มเน่กับเหตุส่องเขียวสองขาวเขากับเหตุเสตียจัดการจัดงานอะไรไหนในวัดเขากับเหตุเสตียแพร่เยอะย่งนี้ขาไมีวัดแพร่ขอของเ้าเมีพระบุทบาทกำลัง ซอยสัีนซอยอันน้ซอยอันนี้นะว่วให้ก็มีตาอยูอันต่วนกระเทียบยังกัเป็นเรล่าผู้พูดเลยนะไดิแค่เรียคอเราเข้ามีมาหาจังเหตนพวมีเข้าขคำเหตุภาษาศิลจักเไไหตนะุเพราะปัญหาว่างับจอมเสีย ม, มาเนาะว่ า, ย อ, นน า, าอยานีขอนขึ้นสิสองปีนำหนีตัวว่าจะฝุ่นได้จะพูอยางเดียวผนได้ สี่กิโลอะครทำห่อนฮอดไทยเทวราชอินทามินชิลาดีแกนแข็งกระด่างหัวใจมีผู้มากตอไห่นำอไรว่าแตมื้อตาบังพี่ที่ตาบงน้องเลยจะขี้โัวเล่ดหงาผมไม่ใช่ลกลองทุกขัน พี่นะอนิจจังทุกครั้งอนัตตามันจั ง, องอจะผนถูกง่ายได้ไดไดเห็นอนิจจังคณะคิดหนึ่งพร้อมรลูกเขาลูกออกเห็นลูกรอบหนึ่งละท่นมูเฮ้าขากัะตายข้าผู้หันเทียงเมื่ยปับหาบหัวมันแบบใหม่มากกัวรักท่านลูกนี้นกับพระพุทธเจ้าของเฮ้านั่นหละกัวสินะว่าเป็นพระพุทธเจ้าของเฮ้ายากว่าเนสัน ในมูฮ้านี่ยบอกว่าอยากังบอว่าอยากินเราแผ่นแทงจับยัดใจไม่บอกบว่เรียนเลขเนเรียนมูฮ่าเด็ดที่ยังคุดจะดิจะคเส้นพระเจ้าได้ราบอกสางาาว่าเราเนี่ยมาเอามูฮ้ากินวันกินนังวันกินนังกระดูกแขนพ่อแค่นี้เอาคนเป็นคนชีสุกมูฮาวเลยแค่กอิฐถูกปูปูในวา ย, ยุ่งที่มาเป็น พเจาพ้าผู้ใดมีพระุพระธรรมพระสงฆ์ยังได้หัวใจผู้นั้นตายยามไหนก็ไปสวรรค์มิผผูดด้ใดถึงถึงพระคุณพระธรรมพระสงฆ์เป็นสัน่ะตามต่อเท่าข้าสทูใช่ไหมครับผู้นั้นตายย่ำไหนก็ไปสวรรค์มุผไปเทวโลกมไปพุทธโลกมุผอีกเ่าไหร่คไปกันไปมนุษย์ก็ไปมนุษย์สันสูงเมือ่อโตโตของยกใส่หัวโตของได้บุญกัเอาละตัว เอามาพุทพระธรรมพระสงฆ์ไว้ห่วงใจะเอาไว้บนอื่นขเอาไว้บนอื่นอะมากราบมลองพระพุทพระธรรมพระสงฆ์อยู่นี่ว่าสั่งพระพูดพระธรรมพระสงฆ์อยู่นี่นะผเป็นผู้ระกาบกระจเปผู้ประกาศกระจเห็นอยู่นี่ว่าสั่เอาไว้นี่ม่ต้องแขนข้อเนียแขนข้อเน่ะมันแขนข้อทั้งดอกไปอาบน้ำม่นลืมช้าของกูยิ้มสูงเะว่านี่พี่น้องมาทั้งไหนี่ ทับมนโ์้มาไก่เนาะแล้วมาจากหลวงพุทธเถอะป่ะแต่คนทุกนิสิตาความพรอยันดีมาฝึกืันได้ดีโอเบขาความวางเฉยม่าดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความในแบบสีอย่างนี้เป็นเครื่องอยู่ของส่านทอะไรเพราะเบขาถ้ายังไม่เแลือไม่ใส่ก็ช่วย นานาโพโฮติคันติโกท้างของดีได้ขึ้นเมื่อเมืองฟ้าแล้วเปลี่ยนอบายวะมุกทุกประเภทอบายะมุกจะเปลี่ยนดีปป เ, ดปปเ น, นเหรอท่านพูดได้เรี่ยนอบายยะมุกในมือรล้หลานเขาไม่อยู่ไดสองวันี้ก็เบิกงลูก ตาเคยเห็นลูกหูฟังเสียงดังหายใจเขาออกไมก่อากาศตึงติววิจัยไหนต้องอยู่ต้องหอมวัดตายเยวนนี้ใกล้จะตายพวกมันเ้าีส่อง <c oughs> ใกล้จะตายเพราะังเึียงมานับเข่านับเขานับเขาสวัส ด, ดีปีใหม่ แล้วว่ากล้ชะไตของพี่ชายใช่ไหมก่อนทราไปจื้อขอมอวชดดีปีใหม่จะไข่ชะไยของพี่ชายเนี่ยมันอยู่หัวซ่าแต่คิดใจว่าย่างไก่ไปใส่ดูพี่น้าทาดีชวนร่างกายล่องไปลงไปใก่ขอหาสายค้จ่ายนี่แค่ข้อทั่มีผู้กล่าว่านงา ข้ะแกเก็บใจนี่แขนข้เท้ามีผูเก่าหมือนว่าได้พัควขห่างไปได้ขอนไหนของ้อขอควายง้อแขนแท้ว่ามันคุ ah ้ยเป็ีนมันขาดเป็นเมน่อตายแขนข้อห้อเทานี่ยบ่แล้วแขนตีกันลงู้ดกันแค้มไปไปตีนี่ผู้ใดจะตายงเข้ามเชียรแมนบอกว่าตายงตายกันสร้าัเียร์นมะ อันนอันนู้่เจ้านักคว่ำใมันก็คืออะไโอ้ยมือเร็วเชียวคนละคนคนทุกยัางหมัดความอัดเลยอันนู้นความทุกขร้อนหาใจเข่าอ้นมูห้ามอยู่ไม่ได้แล้วใช่ปุ๊ยยมูฟี่เจะาน่าตัวว่าปีเยนเป็นบ้าผมว่าเฮตัูฟี่คว่ำใจทีว่าฮะตัวตัวเนี้ยมับเป็นบ่ากันมูฟเจ้ามูพี่เจ้าน่มือเร็ว่อยเชือกมันเจ้าผัวผาชวนะเข้าเนี้ยันนี้ใครที่ตายเขามงเรา โลกหัวใจนะอาอยุใครจะร่วงหอยแต่ชิบวัวละแม้กลจะตายก็รู ก, ก, กรว่ารักชินหาพระละมานโมเสียดายอยากซื้อสาสตร์ระอื่นโมนเสียดาไม่เสียดายอสถิอยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือระดีย า, ย, ย, าดยามดี ไม่ใช่ได้จาก่าขายเครื่อาหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเะไรเนี่สัตว์เป็ตัวค่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายนำา้ำมานค่าขายยาพิษไม่ใช่ได้จากค่าขายสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่นักใจมันก็เป็นพสวดาวันนะครับพระเสด็จลงระหมดช่วงนี้พิษรบายจะพุมตายเมื่อแรกไฟสู้คนณิ้พะเอาไปสู้ ชุดกะทิสวรรค์หรือมนุษย์มีกะทิเป็นสองแม่ลูกก็สวรรค์คนทั้งหมดอยากปิดเลยเอาไปเปิดจางปลาหเดีลยวแรงแล้วเบิบบ่เบึบเบิบเบิบตน้นเบิบเบิบเบิบ ม, มันก็ตัวเหนียวเนี่ยทางหาไม่เพราะฟังอไอ้คนขลาดแร่นโวต้องเหนียวค น, นแล้วไปอ่ะไปไปฝืดเดี๋ยววันนี้ก็ปั่นตอกปลาเข้าค น, น ตนต้องเหี่ยวปอกเขาถ้า <c> ม <oughs> น, นต่อ้าเาะงาน้องเจ็พบอกดีเลว่าจะฟังนะบุญมันเป็นตัช่ไหนบอกว่าต่ตน้องเหี่ยวแบบร้าเสียคอหรเถียงเี้ซื้อไข่หรบอว่าตนต้องเหี่ยวมดเถียงเราแต่นงเหี่ยวก ด, ดูเขาเห็นออยต้องเทียมได้ผลตอนเหี่ยวที่ที่จนยังไงเหี่ยวที่ที่จนอน ลูกกษตรค เ, เดียวะทางพุรกาจนะไม่ใช่ได้จากล้วงระเบิดเชียนหาไม่ใช่ด้น่นเองไมเียมอ้นห่อไม่ใช่ได้จากล้วงระเบิดเชีนหาไม่ใช่ไดากซือยูงย ง, งกพัน ย า, ย า, ายาเรียนเรียไบ้เอาไปยมุไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่ใจแม้เช่นกับจองเวรมัเชียดายอย่าลงของเรามื่เช่นหามันก็ไม่นักไก เหมือนเราไม่ใช่ได้อยากลงลุยรุ้ท่ารพลื้มมันก็ไม่หลักใจเหมือนเราไม่ใช่ได้อยากลงลุยรุ้มอดรุ้งขูดมันก็ไม่หลักใจเหมือนเราไม่ใช่ได้อยากเอาน้ำลายที่วันแล้วคืนมากินอีกมันก็ไม่หลักใจความดีคนดีทำในง่ายความดีคนชั่วทำในยากความดีความชั่วคนชั่วทำานง่าย ตรงกันขามมูดพูดมะแรงวันแสวงกินง่ายแต่มะแรงพึ่งมันไม่ฝันเลยแกยสอนเราไว่ว่าแรงพึ่งหาชิ้นง่ายแต่มะแรงวันมันก็ไม่ฝันเลยมันขอไข่ของวันไม่ใช่าจอยากจะทูตสารตระอื่นพระเห็นว่า ศาสราพุทธสอนมนุสมัติพรมสมัติยิ่งพานสมบัติพอแล้วเหนื้อคำสอนใดในโลกทั้งปวงแล้วเหตุนั้นจริงไม่ใช่ได้อยา ก, กระทือศาสตราอื่นมีหลักตัวอย่างนั้นอ๋อถ้าชาวโลกมีสิ้นห้าบริบูรณ์เมื่อไม่แต่บ้าไปเสียงจะฟีดมนุษย์จะ ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้ากุญแจก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีเวียามก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าเพราะไม่มีใครรับศพยกหอกันการฆ่าการแจงกันก็ไม่มีการรับศพยกหอก็ไม่มีโรคเอ็กก็ไม่มี ก็มีขอเขจพจเพราะยินดีแต่สามีและภรรยาของตนไม่ล่วงละเมิด อ, อันอื่นสุรามีอะรก็ไม่ต้องเกี่ยวตายก็ยสุรามีอะรก็ไม่มีมีแต่ตายด้วยโรคเบือดเดือดและโรคชราเท่านั้นตายด้วยข้าวด้วันด้วยอะไรกันในทางตรงและทางอ้อมก็ไม่มีกุญแจก็ไม่ต้องมี ตัตวก็ไม่ต้องเลยคุณค่ากับพุทธศาสนาะสอนโลกและชาวโลกชาวขี้โอไม่เอามาปฏิบัติเลยทางกฎหมายก็ไม่มองดูคําสอนของพุทธศาสนาะปีนเกลียวเลยส่งเสริมอวัยวะมุขส่งเสริมอวัยวะอวัยมุข ก, กับกท้าขาวส่งเสริมให้คนปีนเกลียวของพุทธศาสนาะ ว่าถ้าเข้ากับส่งเสริมเอาไฟเผาโรคคนละรนคนละรดคนละรนเผาใครจะใช้กับเผ า, าของใครของวันเผาจิตเผาใจด้วยเผาบ้านเผาเมืองตนด้วยพรวพุทธศาสนาพัฒนาวัตถุนิยมแล้วอุดมงคติไปในตัวแล้วคือห้ามาให้อะ เล่นนโยบายมุกทุกประเภ ท, ทวิธีพุ่ครองโรคพุทศาสนาก็สอนทำให้โรคบาลคุ่งคลองโรกสองอย่างก็ไล่ตะวันขมวดตะวเท่านั้นจะคุมงคลองโรกได้ถ้าไม่อย่างนั้นแกฎหมายก็าตั้งมาอยู่สินงาก็ตัองมาอยู่ก็มีแต่เวนสนองเวนไปสนองไปกันอยู่ทุกยามย่าถ้าไม่ถ้า มีช่นห้ามบริโภนี่สงคามกาไม่มีนอนก็ไม่สะดุ้งหัวเพราะไม่มีเวรนยรอบข้างน่อยแล้วอายพ่อนะนะถาวันวิวาห์โบราณโบราณโบราณที่สักลาบนิวมีวัยรุ่นที่นางพิจารณาองคพระกุฏิมีชื่างพระที่างสุพรรณที่พระมีวัชรีศัท เรายยรียนโดยสังฆปาจันโทคณะทธโทนักธรรนิเทวโทัธริโรกัปโนนั้นทศาเทวโทตัณฑายุกีติทอยุโกโอภิวาสนาสีนิสันิจังมุสาวาญโยชตารกธรรมวัชันติอายุวโนุสุขภราให้เพียงตีเนี่ยสูงเพียงตายให้เพียนตายสูงจพียงฝ่าให้เพีองฝ่ายเขาสู้เขาจะฝ่ายก่าอย่างนี้ยันน้าอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะกลางอาณาจัผู้นั้นบารมีเก่ามาแล้ว ไม่กได้ไม่เลได้กดีขอทูลถวายเจคนลัดายวายใจต่อพระพุธรประงสงค์อยู่เมือ่อไม่มีประมาไม่ลได้ไม่กได้ไไ ด, ดีเอาพพุทธธรรมประงสงค์เป็นที่พึ่งที่ไดลิกตาอเท่าข้อสู่พระริพานไม่เลิกได้ไม่เ ไ, ไ, ได้กอดีขอเป็นภาสเป็นทาสพระพุทธธรรมระสงค์อยู่ตรงว่าไม่มีประมา เร่ได้ม่ได้ก็ดีขอามาโทษต่อพุทธังสงอยู่ทุกวันมีประมาณเรอได้มได้ก็ดีจัวัิเสดปัจกวันหิรรมอนใดที่วุนมาครับกองวิทยเสจงรู้ํามจริงพริบัติัตามจริงวุิพตน์ามจริงอยู่ทุกวัไมีประมาณเธองระดวนไปพระจักรวันชาตินี่เธอเรื่องได้ไม่ได้ก็ดีขอปทิจจากเวียนแพ ตอบวามโลภทั้งสิ้นทุกต่นหน้าอยู่โดยทุกวัน ม, มีประมาณเขาเป็นีิเป็นสายในยทางที่ชอบปฏิจังเวีนไปอยู่ทุกว่น ม, มีประมาณเขาอุทิศกุศลพ้นบุญให้ทุกท่นหน้าทั้งทางใจโลกาอยู่ทุกวัน ม, มีประมาณไม่เลิกได้ในเรียกอะไรก็ดีบุญของเรามีนิดเดียวแล้วอุทิศให้ทั้งทางใจโลกธาตุมันจะไม่หมดหรือพระอานุโมท่าบรมศาสดะต่อว่ามันยิ่งได้มากพระอานุน์เอยมันไม่หมดหรอกรอสามแล้ว ารวัฒนตาคีนาสุขชั้นที่สี่พระอนาคามีชั้นที่ห้าพระสกทาคามีชั้นที่หกพระโสด า, า, า, าบันพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้เมื่อพวกเราทั้งหลายได้ทำผิดท่านวากายกรรมสาม ก, กรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พบ ก, ก่อนก่อนคดีปัจจุบันนี้คดีจะเป็นไปในข้างหน้ากลล็ดีขอให้พระมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้จง ท, ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อ พนทุกข่ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกน้อยชอบอยู่โดยทุกเมื่อเทิญในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ที่ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีต่างฝ่ายต่างได้ทําผิดกันเมื่อ ก, กายกรรมสามเมื่ีกรรมสี่มืนูกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พวกคนก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกต่นหน้าทอานทางใจโรกาจงให้อภัยแก่กันและกันทุกท่นหน้าอยู่โดยทุกเมื่อ ผลทุกข้าเราทั้งหลายด้วยเดชพระพุทธศาสนาพักเร า, าทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในมรรคพรพุทธศาสนาของพระธรรมพระพุทธเจ้ายิง่งย่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกทนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเทือนห้างทุ่มให้ฮีปีเมย์คอมิสตบางยัสชัปปะปังกตังกัมังกุสเรนประปัญญทีสุมังโลกงาาังวะปารีติอภะมุตโตจันติมาอภิวาทนาสีนิสัณิจังวุฒาปัญญานจัตารุตมาวัจันติอ า, ายุวโนสุขังปะ ทางวัดทั่วทั่งไตรโ้กัาท่เลยมันไม่บาปเพราะเคารพทมอันไม่มีเวณไม่มีภัยพัฒนาทั้งวัตถุนิยมทั้งอุดมคติไปในตัวอวายมกตุกประเภทขั้นเว้นเป็นวัตถุนิยมและอุดมคติไปในตัว เป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นผมสมบัติเป็นนิพพานสมบัติถ้าเราไม่เว่นก็ตรงกันข้ามคําสอนใดๆในไตโลกธาตุจะเสมเหมือนคําสอนพุทธศาสนาะไม่มีเลยคําสอนพุทธศาสนาะสอนทางมนุษย์สมบัติบริบูร์ด้วย สอนทั้งสวรรค์สมบัติบริบูรณ์ด้วยสอนทั้งภูมสมบัติบริบูรณ์ด้วยสอนทั้งพรนิพานสมบัติบริบูรณ์ด้วยไม่มีลัทธิใดๆจะสอนเหนือพระพุทธศาสนาไปเลยจริงยอมเคารพนับถือแล้วเรื่องไหนเมื่องไหนก็ดีความออกกายสวายชีวิตต่อพุทธภาษประสงค์นิพพานเรื่องไหนเรื่องไหนก็ดีเพราะจริงๆว่าพุทธภาษประงสงค์นิพพานนี่ประมาณ เพื่อเอาเป็นเชิงคือคือภาษีบูชะข้ากับจัดไผ่ในทุกสนิทตัตาเาข้าวสู้คนในภาคและเลือกไงเลือกก็ดีขอเป็นขาเป็นถาดและพูดพระธรรมปสงค์ปูกขาดจอดขาที่ทุกมาพมิตระมาณตับตาเถ้าข้สู้คนในภาคผลดอกสู้คนในวัดวัดสงสารเดื้ดร้นทชุกมาพมิประมานของขาดเถินและเรือไงเลือกก็ดีขอเป็นขาเป็นถาดและพูดพระธรรมปสงค์ขอให้พระธรรมปสงค์ฉีดลเยาวรสนุนไมทด้่ายหนุ่มก็ฉันไดลร่ากายว่าใจใจอยู่ทุกเมื่อ เ่อนเป็นจินเพื่นกับ่ระเฮดอกตวควบข้อใจของเฮาเฮาห่างยอเมืองสั่นว่าพระเจ้าพระสงฆ์ยัอนจะไปขี่เจ้ากนหัวแน่วที่ไปโทษม่ได้เจ้า้นนี่ควบข้อใจของเฮาเฮาวาดเงสั่นวาสั่นซีรอกว่านาข้ามยาเฮาด้ว่าเังสั่นเนาะสาวตาเถาอู้พระ่านนจะกุกนวัชาติสงสารจบยงาพระมีความสมาขอาเทน อ้ยาจะไปเสื่อดจอยา ก, ยายกวงเรื่องทีาา่ไหนอ้าวย่าไปเสืยอดจอยากวางเรื่อดอะไรก็ไมยเชื่อดจอยากไปซื้อสารศาสตร์อื่นก็บิียบุญพ่อแห้งเลยแล้วได้เพราะรได้ก็ผูกขาดจองขาดไปแล้วปฏิบัติภพเชื้อสารเายนะวางเพื่อคนทุกข์นะมาทาทงสารนปัญหาพอร้าย หวงเพื่อปัจจัยชีกีวันเปินทบาทเสนาสนะเพศสัดเพื่อห้รา่ภัยลวยนะมันกับปัญหาก็ลายจะหังใตบุญด้วยผู้บัสามารเลไม่มาแกการเลยเพราะเอาเองเพราะจะพ้นทุกข์นะว่าจะทุกสารโดยรวกกนนะเพราะันใวนนาบโรดตัวเดียวมีมัมเข้ามาผะพวกวูหวดมากส่ออนนวนใยมันพรละหลายมันกับลละอะไรอ่ะ น, น, น, นุ่มจะว่ายานมซุ้ม วางเราะตัวดาวันก็มีแนวหนึ่งนะเมื่อเสียดาย อ, อยากวางรมดชินหานี่ยเขาัวดาบันเลยเมื่อเสียายอยากถือ้อย่ยงข้องกับพันเมื่อเสียรายอยากซื้อเลือีงามดีแล้วก็บ่เสียรายจากซือสาธาอื่นเมื่อเสียายอยากงลงระมัดอภัยเงนงบทุกรประเภทเมื่อเสียดาย อยากจะจองเว้นท่านผู้ใดเพื่อนมาทำผิดเพื่อให้เพื่อนผิดมัธยสกากลของเราไปซะหรื อ, อ, อ, อเพื่อนว่าก่อไม่ไดตูวก่อเพื่อนไม่ใส่เราไปซะว่าจองเว้นผู้ใดอันนี้พูมพระโสดาวันเลยรอสั่นว่าปิดอบายจะพุมทั้งทีตายมือไหกับผุนละ่ะชิงนิ่ว่ามนุษย์สันสูงขั้นสวรรค์เทวโลกเถอะพุะพ่มพระโสดาวัน ตั้มคันลงมาค่ะมันโลกีโรกีบุญโลกอุตระบุญนะครับทศกัณฐดาบันไปทศกัณฐ์ดาบันเว่ามาเกิดเป็นเพลธว่ามาเกิดเป็นเพลอสุรกายว่าเกิดเป็นสัจธีรสารว่ตกนรกกันทั้งทศกัดาบันนะขันทัเถึงว่าเพรารงามเวลาเขาตายแล้วึถึงบุญก็ไปหาบุญแล้วึถึงบาก็ไปหาบาปามเขาตายทศกัณดาบันน่บ่บ่เป็นส่ ตายย่ำไรก็ไปพื่อนละ่ะมันมสมบัติตสวรสรค์สมบัติพุทธสมบัติในพานสมบัติเพื่นละ่ะเดินทางไปเลยบ่ยสงสัยบ่ถอยหลังคืนมากเตา้าก็มาโซดาบันลงมากนะครับเป็นน้ำไร้ว่าหนึ่งชีลล์ละมันแชทับุญไยก็ไปหาบุญทับบาปไยก็ไปหาบาปด้วนสะสัตว์ชสวงโซดาวันว่ะบ่บู๊ไปเลยบู๊เข้าสูพ่พญานลเลยบ่ถอยหลังมันจะเกิดอีกจะย่างไรจะเก็บสะส ยกลางเกิดสามซาดย่างสุดท้ายเกิอดอีกซาดเดียวเขาสู้พนิพานเลยคือเมพระเจ้าของเฮานี่เกิอดอีกซาเดียวเขาสู้พนิพานพระสวัดวันกชีจะขมพระวาระจะหอดเสสาก็ตามกันย่งเสียดายล่วงแล้วหมดเสีหายอยู่กัยงเสียดายล่วงอาบะยมุูเป็นยงโมแมนพระสวดวันยั่างเป็นโลกีอยู่หาวันก็เ่ิดพาวงรายนะมึง ไปล่วงละเมิดศีลห้าถ้ามันเป็น่วงละเมิดศีลห้าแล้วโรคทั้งหลายก็แตกกระเจิงโรคกระแตกกระเจิงอยู่ทุกวันนี่ก็พระไม่มีศีลห้าใช่ไหมถ้าโลกมีศีลห้าแล้วนับแต่อู้เรียนสาเป็นไว้แต่บ้าๆเสียชีวิตพิษมนุษย์มาแต่กำเนิดกำเนิด ก็ไม่มีตํารวจก็ไม่มีทหารก็ไม่มี่ตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจํำก็ไม่ต้องมีนอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างคําสอนพระเจ้าเรีนบอกรอนวดชาวโลกตั้งกฎหมายก้หมู่ก้อาคกดพวกขึ้นไม่มองดูสินะมันก็ไปไม่รอดส่งเสริมอบายฉุก มันก็ไปไม่รอดการค้าขายพระพุทธศาสนาขอศอกค้าขายเครื่องอะหารห้ามมิจฉาบรรจาการค้าขายไม่ชอบทำให้ยาค้าขายเครื่องอาหานค้าขายมาย์ค้าขายสัตว์ป็นแรงสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำมันค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้าม ของชาวโลกมาให้ประกอบชาวโลกอ ด, ดีไม่เอาคำสอนพระพุทธศาสนามาตั้งกันทำไมเราจึงอาบนา้ำเพราะร่างกายมันสกปรกทำไมเราจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะร่างกายสกปรกก็เอาศีลธรรมมปนเครื่องลบล้าง ถ้าโรคกดหลงมีอยู่การปจิบัติเพื่อบรรเทาโรคกดหลงก็ไม่ควรปฏิเสธถ้าร่างกายสกปกอยู่การอาบน้ำก็ไม่ควรปฏิเสธใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้นเอาโรคข้าวฟันกันมาจากไหนก็มาจากแม่รักษาศีลห้าข้อต้น การรักศกรัอก็มาจากอธินาทาไม่รักษาสินข้อที่สองการร่วงระเมิดสามีภรรยากันก็ดีร่วงระเมิดท่านผู้อื่นก็ดีมาจากข้อไหนก็มาจากข้อการมีสมิชาจารใช่ไหมนั่นพระพุทธศาสนาตัด ไ, ไฟต้นลมตัดลมต้นไฟแล้วโรคเอกมาจากไหนก็มาจากว่ามีขอบเขต ในการมีสมิาชาฌานใช่ไหมพูดมุสาต้อมตุนมาจากไหนก็มาจากมุสาวาตใช่ไหมดืูสุราเมีอะไรแล้วก็ฆ่ากันตายคาวงเล่ากอมีมาจากไหนก็มาจากโสราเ ม, มีนิยมวัชประมาณ็ม่าชาวโลกมีสี่ห้าประการทั้งไทยโลกธรรสงครามก็มี นอนก็ไม่สะดุ้งกว่าเพระไม่มีเวรอยู่รอบข้างนั้นจึงไม่ควรประมาทพระพุทธศาสนาเลยถ้าพระพุทธศาสนายังอยู่ยังยืนลงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยถ้าพระพุทธศาสนาพินาศลงชาวพุทธจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนมอดมุ้ยสุขชิ้นสกุลพุทธเครรานใครลูกเลาชาวพุทธ ผลของกรรมอันไม่ดีจะตามถึงที่สุดอยู่ชั่วการนานเลยคดีดำคดีแดงในวงในศารมันจบกเกษียณเป็นกรรมและผลของกรรมที่ทำดีและทำไม่ดีมันก็ตามไปสัญชาิเข้าสู่ภายในบาลทั้งทำดีและทำไม่ดีด้วยสารใจสวนสารจัดสินในโลก จะทำถูกหรือไม่ถูกว่าเป็นสัญากรรมและผลของกรรมจะตามทั้งสูตรทั้งจำเลยทั้งผู้ไต่สวนและตับถิ่นอยู่นันะ่นใครจะบัญญัติบาปบุญเป็นโทษถูกหรือไม่ถูกก็ตามสิ่นที่เป็นบาปก็เป็นบาปอยู่นั่นเองถิ่น ท, ที่เป็นบุญก็เป็นบุญอยู่นั่นเองใครจะเป็ น, ปนไปตามคนนิยมนหรือไม่เนีนะนนะพระบรมศาสดาเจนเขารครับถ้าพระมีอยู่ฟอน พระบรมศาสดาก็ไม่สามารถจะรู้ทำได้ใช่ไหมสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของผู้สร้างบ ร, รมินเจ้ามจ<ะ>จาจับพิจารณาท้งผู้เชื่อกรรมลผลของกรรมที่เปนความเช่อผู้นั้นก็เชื่อพระพุทสาสนาดันั้นอกจาอื่นๆ ท, ที่เขาชื่อว่ามันมีบุนไม่มีบากไม่มีมเป็นคอบคร่ว เขาไปได้ไม่เขาไปไม่ได้ขเขาแตกก็เจอแล้วใช่ไหมพูดจะได้มาในตาที่มันชอบผมอก็กาตามใส่หองอยู่เป็นเสกไหมต้ อ, มองนสิามาก